สิกขาบทที่14ถามทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อถ่ายอุจจาระถ่ายปั ส, สวะหรือบ้วนน้ำลายลงบนของเขียวณนะที่ไหนในสิกขาบทที่14นั้นมีหนึ่งพระบัญญัตหนึ่งพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิต